108. ภาวะที่เป็นความจริงกับแค่ฝันต้องชัดเจนเพราะพุทธธรรมมันยังไม่มีในสังคมโลกเลยในยุคนั้นแม้ในขณะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เจ้าชายสิทธัตถะก็ยังไม่รู้เพราะอย่างะระลึกไม่ได้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังตกอยู่ในสภาพ เลียงลมโอมข้าวพองอยู่มันยังอยู่ที่จิตในจิตอันลึกล้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะซึ่งตอนนี้ทรงออกผนวดแล้วปานนั้นพุทธธรรมก็ยังไม่ปรากฏออกมาพุทธธรรมก็ยังไม่มีในโลกแต่มีแล้วนะที่จิตในจิตของพระองค์เว่าขณะที่เรากำลังพูดกันนี้ ยังไม่ปรากฏความจริงของพุทธธรรมที่เป็นอารยศาสต ร, ร์จริงยังนับว่ายังอยู่ในฝันซึ่งในฝันนี้จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้คนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะใครก็ตามหากอาศัยอดีตปรารภธรรมถ้าสามารถค้นพบธรรมะน้นๆของตน ของใครก็เท่าที่ตนมีธรรมะแบบไหนอย่างไรแค่ใดก็เท่านั้นอย่างนั้นแบบนั้นเท่าธรรมะที่ตนมีอยู่ในอดีตนั้ น, น, นตามที่ได้สั่งสมมาแล้วจริงเท่านั้นซึ่งหากไม่ใช่พุทธธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่ตนได้เรียนรู้และปฏิ บ, บัติบรรลุพุทธธรรมนั้นมาแล้ว ตามโรคุตรธรรมขั้นนั้นๆปรารกอย่างไรระลึกแค่ไหนก็ไม่สามารถจะมีพุทธธรรมได้ภาวะที่ระลึกหาของคนที่ยังไม่มีโรคุตรธรรมเป็นปัจเจกภูมิหรือเป็นสยังอภิน ญ, ญามาแล้วจะยังไม่มีภาวะที่เป็นความจริงของพุทธธรรม ยังเป็นแค่การตรึกนึกเอาเองขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนั้นๆหรือระลึกของเก่าของตนขึ้นมาได้จึงไม่ใช่ความจริงเลยดังนั้นผู้ที่หลับตาปฏิบัติสมาธิที่จะปรารบธรรมะระลึกธรรมะทั้งหลายหากตนไม่เคยบรรลุธรรมที่เป็นปัจเจภูมิหรือใสยางอภิน ญ, ญามาก่อน ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้พุทธธรรมเป็นอันขาดผู้ที่กำลังปฏิบัติแบบหลับตาระลึกอดีตระลึกอนาคตอยู่ในพระวังจะเป็นไปได้ก็ต้องมีโลกุตรธรรมที่มีมาแล้วชาติก่อนมาแล้วจึงจะสามารถพบความจริงที่มีจริงมาแล้วได้ผู้ไม่มีปัจเจกภูมิหรือส่ายยังอภิญญามาก่อน ก็จะได้แต่ฝันไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติในวิธีเอาแต่หลับตาปฏิบตัติเพราะจะได้ความจริงก็ต้องปฏิบตัติลืมตาเป็นปัจจุบันจึงจะบรรลุโลกุตระ